บทว่าเอตมาถังวิทิตวาความว่าพระองค์นี้ทรงรู้แจ้งเนื้อความอันนี้ที่เป็นจุดยอดแห่งตันหาที่พราหมณ์นั้นทูลถามก็มคือทูลถามถึงเหตุที่ทําให้เป็นพราหมณ์คุณธรรมของพราหมณ์แต่พระองค์ตอบคําถามอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการพูดแบบเป็นการแสดงธรรมแก่พราหมณ์นั้นถามว่าเพราะเหตุไรเพราะพราหมเนี่ยนะยังไม่เป็นที่รองรับพระธรรมเทศนา จริงอย่างนั้นพรามนั้นได้ฟังคาถานี้แล้วก็หาได้ตรัสรู้สัจจะไม่และการประกาศพุทธคุณแก่อุปการชีวกก็เหมือนกับการประกาศแก่พรามนี้จริงอยู่พระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในส่วนเบื้องต้นก่อนการประกาศพระธรรมจักเฉพาะเป็นส่วนแห่งวาสนาแก่คนเหล่าอื่นผู้ได้สดับเหมือนให้สารณะแก่ตปุษสาและภะิกะ ไม่ใช่เป็นส่วนแห่งพระเสขะหรือไม่ใช่เป็นส่วนแห่งการตรัสรู้อันนี้ถือว่าเป็นปกติธรรมดาเพราะว่าผู้ที่จะตรัสรู้คนแรกคือใครคือพระอัญญาโกลธัญญะนั่นจึงเป็นการแสดงธรรมจริงๆและก็ตรงๆส่วนคําพูดที่พระองค์ตรัสกับพราหมณ์อุทานออกมาตรงนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่เป็นลักษณะการประกาศอริยสัจธรรมเพื่อให้พราหมบุบรรลุ แต่เป็นการพูดเพื่อเป็นวาสนาต่อไปแก่พราหมณ์หรือแม้กระทั่งการแสดงพุทธคุณให้อุปการชีวกฟังเนี่ยนะหรือที่แสดงการถึงสารณะคือที่ตะปุษากับธลิกะถึงพระพุทธพระธรรมว่าเป็นสารณะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นวาสนาภาคยะเป็นวาสนาที่จะทําให้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะมันพูดที่ฟังธรร ก่อนก่อนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมมาจากพวกนี้ถือว่าเป็นวาสนาเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยที่จะให้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตแต่ก็ยังไม่พบว่าพรามคนนี้บรรลุได้ได้บรรลุหรือยังนีใครพบบ้าง ก, ก็เล่าให้ฟังด้วยนะมาพบที่ไหนว่าเอ๊ะท่านไปบรรลุหรือยังอ่ะนะแต่ว่าอุปกาชีวกเนี่ยบรรลุแล้วตปุสะพรลิกะพวกท่านเหล่านี้ก็บรรลุแล้ว บทว่าโยบรามโนความว่าบุคคลใดชื่อว่าเป็นพรามเพราะลอยบาปประทำได้นะเพราะเป็นผู้ที่ลอยบาปคำว่าบาปในที่นี้นี่แปลว่าสิ่งที่เลวร้ายนะสิ่งที่เลวร้ายที่อยู่ในใจนะผู้ที่เป็นพรามนี้ประกอบด้วยคนที่ไม่เป็นพรามเนี่ยนะหรือบาปประทำอ่ะเป็นเหตุให้ผู้ประกอบด้วยบาปประทเนี่ยมีการตวาดผู้อื่นว่าฮดุดน้ำฝากเป็นต้น ก็ถ้าพูดแบบตรงๆกันนะเขาเขาเนี่ยอยากจะอยากจะให้พระพุทธเจ้าตอบว่าแบบท่านนี่แหละเรียกว่าเป็นพรามณ์พระพุทธเจ้าปฏิเสธแบบชนิดที่เรียกว่าตรงกันข้ามหมดทุกเรื่องไอ้พวกชอบตะวาดคนอื่นไม่ใช่พรามเหมือนกันเพราะพวกนี้เป็นทิฏฐมังคลิกะยังปฏิญาณตนว่าเป็นพรามณ์พวกนี้เป็นพราหมณ์เพียงแต่ชาติอย่างเดียวก็หาไม่บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นพราหมเพราะลอยบาปประธรรมได้ไม่ใช่ เป็นพราม์เพราะว่าพอ่อเป็นพราหมณ์แม่เป็นพรามลูกคลอดออกมาก็เลยเป็นพรามณ์ไม่ได้เป็นพราหมณ์แบบนั้นตรงนี้ผู้ที่เป็นพราหมณ์ที่แท้จริงหมายถึงผู้ที่ลอยบาปประธรรมได้พระพุทธเจ้านะเกิดมาปฏิเสธวันณนะพราหมณ์ตรงๆเลยนั่นพราหมเนี่ยเยอะมากโกรธแค้นพระพุทธเจ้ามาก <c oughs> พวกหลายๆกลุ่มเนี่ยโกรธแค้นพระพุทธเจ้าแต่ก็หาช่องทํำยังไงก็ช่องทําไม่ได้จนถึงมาสมัยสังกราจาร์เนี่ยนะสังกราจาร์เนี่ยสมัย ร่วมพศเกือบพันหนึ่งแล้วพวกนี้จึงมาล้มล้างพระพุทธศาสนาได้สําเร็จพศพันเศษเศษเนี่ยนะสังกราจานี่เป็นคนวรนณพรามที่กล่าวตูว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารปางหนึ่งของาศาสนาฮินดูเนี่ยนะก็ตอนหลังก็ล้มล้างพระพุทธศาสนาได้สําเร็จทั้นกลุ่มที่ผูกพยาบาทลึกๆในพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเยอะเพราะว่าล้มเลิกระบบวรนณเกือบทั้งหมดออกไปเนี่ยนะเพราะพวกนี้โกรธแค้นมาก ก็ยางว่านะพวกพราหมณ์นี่ก็เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมใช่ไหมพอตอนหลังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมก็เลยกลายเป็นว่าน้อยเนื้อต่ำใจไอ้ต้นเหตุที่ทำให้ระบบวณพราหมณ์นี่เสียหายไปคืออะไรก็มองว่าพระพุทธศาสนาก็เลยหาช่องที่จะทำลายพระพุทธศาสนาน่ น, นะย้อนกลับมาที่บอกว่า ที่เรียกว่าเป็นพรามเนี่ยนะหมายถึงลอยบาปประทรรมหมายถึงไม่มักไม่มักตาวาดผู้อื่นว่าเอแปลว่าไม่โกรธนั่นเองและไม่มีกิเลสดุดน้ำฝาดที่บอกว่าชื่อว่าปราศจากกิเลสที่ขูผะะข่ผู้อื่นว่าเอเพราะละกิเลสที่ขู่ผู้อื่นว่าเฮอเอได้อะไรนะลักษณะที่เสียงที่เกิดจากโทสะเป็นสมุทฐานที่ตำหนิผู้อื่นไม่มีเลยนั่นคือพ้ารฐานทั้งหลาย พันสมัยพุทธ ก, กาลเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าพระอรหันต์จะโกรธเพราะพระอรหันต์ไม่โกรธสมัยสมัยใหม่เปลเดี๋ยวทําให้พระอรหันต์โกรธเป็นต้นเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายจะไม่มีคําว่าโกรธผู้ที่โกรธก็ไม่ใช่พระอรหันต์แล้วก็ไม่ใช่พระอนาคามีด้วยนะพระอรหันต์นี้ชื่อว่าไม่มีกิเลสดุดน้ําฝาดเพราะไม่มีกิเลสดุดน้ําฝาดมีราคะเป็นต้นราคะเนี่ยถ้าย้อมใจแล้วเป็นยังไง โทสะย้อมใจเป็นยังไงโมหะย้อมใจเป็นยังไงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นประดุดน้ำฝาก น, นะย้อมใจที่เคยมีศีลเสียศีลหมดเลยย้อมใจที่เคยมี ส, ส, ส, ม, ม, ม, ส ม, มถะวิปัสสนาราคะโทสะโมหะย้อมใจให้เสียหายกลายผิดสภาพไปหมดพระอรหันต์นี้ที่เรียกว่าเป็นพรามเนี่ยเป็นผู้มีความเพียรมีความเพียรอย่างไรก็คือ มีจิตประกอบไปด้วยภาวนานุโยกภาวนานุโยกแปลว่าการเจริญภาวนาภาวนาในที่นี้ก็คือเจริญภาเวตาปรธรรมใช่ไหมคำว่าภาวนาเนี่ยเป็นคำที่สีในจำนวนสคํคำก่อนที่จะมาถึงคำว่าภาวนาคืออะไรคือปริญญาปหาณนะสัจจิกิริยาจนถึงคำว่าภาวนาพันคุณธรรมของพรามคือผู้ภาวนา แสดงว่าท่านได้กําหนดรู้ได้ละทําให้แจ้งจึงเป็นผู้อบรมภาวนาชื่อว่าสํารวมตนเนี่ยนะเพราะมีจิตสํารวมแล้วด้วยศีลแต่ที่จริงต้องอธิบายว่าสํารวมด้วยศีลหรือเป็นผู้มีจิตที่สํารวมแล้วนะคำว่าสํารวมในที่นี้ไม่ใช่ว่านั่งหลับตาปี่เฉยๆไม่ใช่แต่หมายศีลหมายถึงคุณธรรมคือศีลเป็นเหตุให้สํารวม นนะหรือสัมรวมสภาพจิตด้วยสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะให้จิตเป็นไปกับศีลสมถะวิปัสสนานั่นแหละชื่อว่ามีตนสัมรวมหรือสัมรวมตนเนี่ยนะชื่อว่าเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งเวทเวทตัวนี้แปลว่าความรู้นะเป็นผู้ถึงสุดยอดของความรู้เพราะถึงที่สุดคือพระนิพพานเป็นที่สุดสิ้นสังขารหรือที่สุดแห่งเวทด้วยเวททั้งหลายกล่าวคือมัรคยานสี่ เพราะความที่ที่ถึงที่สุดแห่งความรู้นี่แหละจึงแทงตลอดพระนิพพานเป็นที่สงบระงับสังขารานะนทนที่สุดแห่งเวทคือปฏิบัติจนถึงอรหัตตมรรคเกิดขึ้นจบสินงง้น่างนั้นสำเร็จการศึกษาอย่างแท้จริงเป็นที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคำว่าศึกษาในโลกนี้เนี่ยนะตามพระพุทธศาสนาว่าขณะใดที่เจริญศีลสิกขาขณะนั้นชื่อว่าศึกษา ขณะใดที่เจริญสมถะและวิปัสนาขณะนั้นชื่อว่าศึกษาแต่ถ้าอย่างอื่นไม่เรียกว่าศิกขาเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่จบเนี่ยนะเป็นการเรียนที่ไม่รู้จักจบแต่ถ้าผู้ใดเจริญอธิศีลสิึกษาอธิจิตตศิกษาอธิปัญญาศิกษ า, อ, กษ า, อ, กษาอบรมศิกษาสามเหล่านี้จนบริบูรณ์จนอรหัตธรรมเกิดอันนั้นแหละจึงเป็นการศึกษาที่จบอย่างแท้จริงไม่ต้องกลับมาเรียนอีกแล้ว อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยสาเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์กลับมาเรียนวิชาในโลกนี้อีกไหมไม่ต้องใช่ไหมพระอนนุ์เป็นต้นพระมหากัสปพระอริยะบุคคลอ่ะนั้นท่านต้องกลับมาเรียนแบบที่เราเราเรียน เ, ยน เ, ยนเยนกันอีกไหมบอกไม่ต้องท่านจบหมดแล้วเนี่ยนะของเราเมื่อไหร่จะจบอย่างนั้นบ้างอนะมนาะถ้าได้เรียนพุทธศาสนา ก, ก็ดีสิปัญไปเรียนอย่างอื่นนี่สิมันน่าหนักใจเนี่ยนะนะนะเรียนวิชาอะไร ว, วิชาทำปานาติบาตที่จริงต้องบอกว่าเรียนอาวิชาทำปานาติบาตนะเป็นวิชาที่เป็นอาวิชาที่สังคมยอมรับสูงมากนะอาวิชาว่าด้วยอธินนาทานกาเมสรุปว่าอะไรก็ได้ที่มันทุสนเนี่ยนะอาวิชานั้นจะรุ่งเรืองนะมืดหนักมากเลยนะมันก่อนได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอผู้ที่มีฐานะเนี่ยนะเป็นเจ้าของน้ำเมาในฟังแล้วเศร้าใจเลยนะ นึกใจว่าถ้ากรรมเหล่านั้นมันให้ผลน่าจะปัญญาอ่อนกี่ชาติเนาต่อไปนะเชื่อว่าผู้อยู่จบซึ่งพรหมจรรย์ยนะจบพรหมจรรย์นี่หมายถึงจบมรรคพรหมจรรย์จบพรหมจรรย์เนี่ยผู้ที่จบพรหมจรรย์จริงๆก็คือผู้ที่ทํากิจ16สําเร็จแล้วจึงเชื่อว่าอยู่จบพรหมจรรย์ยนี่ยนะทำกิจสินี่คืออะไรบ้างเก็จของโสดาปติมมัคสกทาคามีมัคอนาคามีมัคและอรหัตตมัค พันธ์ก็ทํากิจ16แต่ทีนี้เน้นอะไรมรรคพรหมจันทร์ก็คือสําเร็จอรหัตตมรรคนั่นแหละการประพฤติอย่างประเสริฐเนี่ยนะอยู่จบการประพฤติที่ประเสริฐสูงสุดคือเจริญจนถึงอรหัตตมรรคแล้วบุคคลผู้กล่าววาทะว่าเป็นพรามโดยธรรมคือกล่าววาทะว่าเป็นพรามโดยธรรมคือโดยชอบนั้นเขาไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นเหล่านี้ เพราะคุณสมบัติที่สามารถดูได้จากพระ้าหัน์คือพระ้าหันไม่มีกิเลสเครื่องฟูเครื่องฟูเป็นยังไงราคานี่ทําให้ฟูขึ้นใช่ไหมราคาก็ทําให้ฟูโทสะก็ทําให้ฟูมานะก็ทําให้ฟูทิฏฐิก็ทําให้ฟูทีนี้รับอารมณ์ใดถ้าราคาเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดมานะเกิดทิฏฐิเกิดขณะนั้นสภาพจิตนี้ฟูหมดเลยเนะแสดงว่าอะไรนะี มันแบบพวกน้ำอัดลมหรือเปล่าจิตมันฟูแบบน้ำอัดลมอย่างนั้นด้วยมันฟูหนักกว่านั้นอีกน้ำอัดลมมันฟูอยู่ในแก้วแค่นั้นเยแต่ว่าไอ้พวกนี้จิตนี่มันฟูมากกว่านั้นเยอะเพราะถ้ารับรับรูปเป็นอารมณ์เนี่ยนะสีมีสีเป็นอารมณ์ก็ฟูด้วยราคะฟูด้วยโทสะฟูด้วยโมหะฟูด้วยมานะฟูด้วยทิฐิพอมีเสียงเป็นอารมณ์ก็ฟูด้วยราคะฟูด้วยโทสะฟูด้วย โมหะฟูด้วยมานะฟูด้วยทิฏฐิเป็นต้นผู้ที่ฟูอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่พระอรหันต์ส่วนพระอรหันต์ไม่มีกิเลสเครื่องฟูเหล่านี้เลยไม่เศร้ามองแบบนี้เลยในอารมณ์แม้แต่ในอารมณ์เดียวในโลกสันนิวาตแม้ทั้งสิน้นคือละได้อย่างสิ้นเชิงคิดดูนะว่าในโลกเนี่ยใครจะชมว่างามขนาดไหนก็ช่างเถอะพระอรหันต์ก็รับอารมณ์นั้นแต่ราคะไม่ฟูขึ้นเลย ไม่มีราคาไป็นที่เป็นเหตุให้ฟูขึ้นเลยอารมณ์ที่จะเลวร้ายขนาดไหนมีการเข็นการฆ่าขนาดไหนพระอรหันต์ก็ไม่ฟูด้วยโทสะและไม่มีอารมณ์ใดที่ทําให้พระอรหันต์ลุ่มหลงด้วยอํานาจของโมหะเพราะพระอรหันต์ไม่ลืมคําว่าอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตปฏิจจสมุป บ, บาทและอริยสัจอันนี้ไม่มีคําว่าเผลออีกแล้วสํา น, นวนว่าไม่เผลออีกเลยเพราะพระอรหันต์เนี่ยนะ ท่านเป็นผู้ที่มีกำลังมีกำลังอย่างแรงกล้ามากท่านไม่เลอะเลือนเลยว่าสังขารไหนจะเที่ยงอันนี้ไม่มีสรุปว่าสังขารทุกชนิดท่ามณนะ์ท่ารหัมณสิการนะไอความไม่เที่ยงนี้ชำนานมากสองท่านเห็นว่าฉันทราคาหรือกิเลสกามทั้งหลายเหมือนหลุมฐานเพลิงนะแล้วก็จิตของท่านเนี่ยโอนเข้าไปในวิเวกเนี่ยนะอัธยาศัยของท่านน้อมไปอย่างเดียวคือน้อมไปหาพระนิพพาน มีจิตดํารงมั่นในสติประธานสัมมาประธานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดเรียกากาลังของพระขี่นาศบสิประการนั่นเองกลังของพระขี่นาศพสิบประการอย่างท่เาเมื่อท่านมีกําลังเหล่านี้ท่านจึงไม่ฟูด้วยราคะไม่ฟูด้วยโทสะและไม่ฟูด้วยโมหะกําลังพระขี่นาศบสิประการนะข้อหนึ่งท่านบองว่าหนึ่งสังขารไม่เที่ยงอันนี้ไม่มีอารมณ์ไหนที่ท่านจะคิดว่ามันเที่ยง แต่ท่าก็บอกว่าอนุปัสนาเจของท่านชำนาญกับทุกอารมณ์ข้อ2ท่านบอกว่ากามทั้งหลายเหมือนหลุมฐานเพลิงหมายถึงว่าฉันทราค้าในวัตถุทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับโยนเข้าไปในหลุมฐานเพลิงไม่ต่างกันสมจิตของท่านโอนไปในวิเวก ค, คือพระนิพพาน45่ห้าห0คือดำรงมั่นในสติปทานส ม, มารประทานอิทิบาทอินทร์ีละพร ะ, ะโพชองแล องมักเนี่ยนะเขาเรียกว่ากำลังของผ้าอรหันติสิประการทำสิบประการนี้เป็นอะไรศัจกาตประธรรมเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งถ้าเพราะถ้าผู้ใดทําให้แจ้งธรรมะเหล่านี้ก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ผ้าอรหันต์เนี่ยท่านปราศจากไม่ฟูด้วยราคะไม่ฟูด้วยโทสะไม่ฟูด้วยมานะท่านไม่มีมานะเลยแม้แต่เดียไม่ไม่อาศัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดมานะเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีมานะเกิดขึ้นแม้แต่ใน อารมณ์เดียวไม่ท่านไม่เอาสังขารมามาเป็นเครื่องเปรียบด้วยอํานาจมานะเลยกลายเป็นผู้ที่ตําหนิมานะมากอย่างที่บอกว่าผู้ใดสําคัญกายตนแล้วดูหมิ่นผู้อื่นจะมีอะไรนอกจากไม่เห็นอริยสัจเพราะถ้าเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณมาเป็นเครื่องเปรียบด้วยอานาจมานะพระ อ, องค์ตําหนิว่าเข่าจริงจริงว่างั้นและพระ อ, องค์ไม่มีมิจฉาทิฐิเลยไม่ไม่เกิดมิจฉาทิฐิเลยมิจฉาทิฐินี้เป็นยังไง มิจฉาทิฏฐินี่ก็คือความรู้ผิดความเห็นผิดความเข้าใจผิดเข้าใจตรงกันข้ามหมดเลยนะเรียกว่าทิฏฐิปกตินิทิฏฐิมันจะวิ ป, ปลาดว่าเที่ยงมันมันเข้าใจเห็นคลาดเคลื่อนว่าเที่ยงว่าสุขว่างามและว่าเป็นอัตตาและพอทิฏฐิสำคัญว่าเป็นอัตตก็เริ่มคิดว่ารูปเป็นอัตตาอัตตามีอัตตามีรูปรูปในอัตตาอัตตาในรูป เวทนาเป็นอัตตาเอ่ออัตตาเนี่ยมีเวทนาเวทนาอยู่ในอัตตาอัตตาอยู่ในเวทนาเป็นต้นมันจะสําคัญไปเรื่อยเอยแล้วพออทิฐิอย่างเนี้ยเกิดขึ้นมันหลงผิดมันเข้าใจผิดรู้ผิดอย่างนี้มากขึ้นก็ที่มาของเสนอแนะข้อปฏิบัติผิ ด, ผ, ดผิดขึ้นมาแล้วด้วยอํานาจของพื้นฐานอัตวาทูปปาฐานก็กลายเป็นที่มาของทิฐิ62สารพัดมิจฉาทิฐิทั้งหลายก็เกิดขึ้นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามิจฉาทิฐิ มิจฉาทิฏฐิกับโมหะนี่อยู่ในเวทวงเดียวกันอยู่สังคมเดียวกันเนี่ยนะถ้าที่ใดบอกว่าทิฏฐิที่นั่นบอกว่ามหาโมหะมมเลยแหละเนี่ยนะที่ไหนโมหะก็จะตามมาด้วยมิจฉาทิฏฐิเพราะโง่อย่างเดียวแล้วมันนั่งเฉยๆไหม <laughs> พวกพวกมโมหะมากๆเนี่ยโง่แล้วขยันเนี่ยเป็นลักษณะนเนี่ยพวกมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จริงแต่ขยันมากเนี่ยนะเอาจริงเอาจังมากะนะาษัตไปไหน ก็ไปอาบายานั่นแหละชักชวนกันไปอาบายอย่างไม่ไปคนเดียวหรอกเหงาใช่ไหมไปอยู่กันเป็นฟุ้งๆเนี่ยนะเขาบอกย้อนก่อนนะฟังอะไรนะข่าวมาแมลงมันบินจากเมืองลาวมาม า, มาที่มุกดาหารมันมาเป็นล้านตัวเนี่ยนะได้เป็นคันรถปิกอัพอะมแมลงแมลงตัวตัวเล็กๆ เ, กเกนี่ยนะเอาไปทำปุ๋ยหมักพกนันมันบินมาเนี่ยมันมาเล่นไฟเนี่ยกองกองแบบกองทรายอะ มันก่อนถามพระรูปหนึ่งบอกว่าเออท่านที่วัดท่านนี้ยังมีแมลงอยู่เหมือนเดิมไหมบอกยังเหมือนเดิมอยู่เลยครับบอกงั้นแมลงนี่มันมากแค่ไหนมันมากขนาดว่าถ้าเป็นท่าที่อื่นๆเนี่ยมันจะกองแบบแบบขี่ขี่โคมูลโคอะไรมันกองหรือเหมือนกองแกลบกองอะไรเนี่ยนะที่วัดแห่งนี้เนี่ยแมลงมันมากขนาดนั้นต้นไม้เกือบทุกต้นนะมันดําปีหมดเลยตามผนังโบสถ์นี่ก็มีแต่แมลงแมลงมันกินสีเลยนะอย่างสีบ้านโยมเนี่ยกินไม่เหลือหมดแล้ว กินสีแล้วก็ต้องมากวาดแล้วมาโกงโกงโกงโกงกันจากตรงนั้นมาสิบปีแล้วก็ถามเมื่อไม่นานเนี่ยบอกว่ายังมีเหมือนเดิมไหมเขาบอกยังเหมือนเดิมเท่านั้นมันมากขนาดนั้นเลยน ะ, มะแมลงปีกแข็ ง, งนี่แหะตัวเท่ามแมลงวันนี่แหละคิดดูนะกองสูงเลยเยอะจริงๆเลยอาบายเพราะทิฏฐิเนี่ยมันพากันไปสู่อาบายเนี่ยนะแล้วก็เคยเคยตั้งคําถามว่า ถ้าพากันเป็นมิจฉาทิฐิมากๆเนี่ยนะจุติจากมนุษย์แต่คิดว่าตัวเองจะนิพพานอยู่แล้วใช่ไหยตาได้ไปเกิดเป็นปลาทําอะไรได้กันนะตาเนี้ยนะมาเกิดเป็นมแมลงทําอะไรได้มาเป็นนอนกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บทำอะไรต่อไปทําอะไรไม่ได้เพราะมันไม่รู้เลยไปยังไงมายังไงเนี่ยนะมันก็ต้องระวังให้ดีๆว่าไม่ให้เครื่องฟูคือทิฐินี้เกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันมันลักษณะอย่างไรสิ่งแรกที่มิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นปฏิเสธกรรม ปฏิเสธผลของกรรมปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปปฏิเสธดีปฏิเสธชั่วปฏิเสธเทวดามนุษย์ปฏิเสธโอปปาติกะปฏิเสธพระพุทธคุณเป็นต้นปฏิเสธพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณเนี่ยนะปฏิเสธศีลปฏิเสธสมถะปฏิเสธวิปัสนาปฏิเสธมรรคผลนิพพานอันนั้นแหละคือลักษณะของมิจฉาทิฏฐิมั้นเขาจะดําเนินไปไหนก็เดินไปเพื่อเฝ้า วัดตะเนี่ยนะถ้าไปเป็นหนอเหตุเห็นหนอเนี่ยนะกระดึบกรึบเยอะๆเนี่ยจะหนักใจเคยไปบินทบาทบางแห่งเนี่ยนะนอนมันเยอะจริงๆเลยเยอะถึงขนาดเรากลับมาวัดมีฉันเข้าเมื่ค่อยลงมันเหมือนกับอะไรนะเหมือนกเอาข้าวสุกไปเทไว้บนถนนนะ่ะมันขาวๆเต็มถนนอย่างนั้นนะ่ะอะไรก็มากอย่างนั้นนะ่ะโยมอวัดตะเนี่ย ก็เจริญกุศลธรรมมนะแต่ว่าให้มั่นใจนะว่าต้องไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องวัดนะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเราไม่รู้ว่าทางถูกทางผิดเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เนี่ยมาศึกษาพระธรรมตามนี้แล้วเราจะรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรเป็นสัมมาทิฐิวันเวลาที่ก็มานะเวลาได้ยินเสียงว่าพุทธังสรารนังคัจฉามิเนี่ยดีใจ ทำไมจึงดีใจก็ดีใจเพราะว่านั่นเป็นเบื้องต้นที่จะทําให้เขาพ้นจากมิจฉาทิฐิถ้าเขายัางนับถือพระพุทธเจ้าต่อไปเว้นไว้แต่เมื่อใดเขาบอกว่าพุททางแต่ปากถ้าอย่างนี้ช่วยไม่ได้นะแต่ถ้าเขาทําด้วยสภาพจิตใจที่มีพระพุทธเจ้านําหน้าไปทุกเรื่องทุกอารมณ์เป็นต้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาพ้นทุกแน่ทุกอย่างเขานึกถึงคําสอนได้หมดเลยเป็นไปกับคําสอนเป็นไปกับพระพุทธคุณโดยมาก เขาไม่เสื่อมแน่แต่เมื่อใดเขาทิ้งพระรัตนตรยัยเมื่อใดก็ภาวะปกติปกติอะไรปกติของผู้เฝ้าวัต่เนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่มีสัมมาทิฐิอย่างสมบูรณ์แล้วสามารถเอามิจฉาทิฐิมาสแสดงโดยประการทั้งปวงก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสามารถจำเนกมิจฉาทิฐิและสัมมาทิฐิได้โดยบริบูรณ์โดยประการทั้งปวง วันถ้าเรานับถือที่พระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้นำเนี่ยนะพระองค์จะจําแนกวันนี้คิดอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิคิดอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฐิคิดอย่างนี้มากๆไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนารกเห็นแบบนี้มากๆไปสู่สุขติโลกสวรรค์ปฏิบัติตามสัมมาทิฏฐิแบบนี้เป็นเหตุให้ไปบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยพระองค์จะรู้ชัดทั้งหมดเลยวันมิจฉาทิฐิเนี่ยจริงๆมันมาจากโมหะเนี่ยนะมาจากโมหะ เกิดจากอะไรเกิดจากไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ที่สําคัญก็คือไม่แทงตลอดอริยสัจเพราะนั้นไอ้ตัวความไม่รู้เหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุที่สําคัญทําให้เกิดมิจฉาทิฏฐิหลงผิดเนี่ยนะหลงผิดเข้าใจผิดรู้ผิดเห็นผิดเพราะนั้นผิดถูกนี่เอาอะไรเป็นเครื่องวัดตรงนี้สําคัญมากเลยนะของเราทั้งหลายเรานึกคิดเราเห็นเราได้ยินเนี่ยถูกผิดเอาอะไรเป็นผู้ เอาใครเป็นสารให้ไม่เหมือนกับในโลกนี้เอาเอาเอาสารใช่เอาสารเอากฎหมายเป็นเครื่องวัดของเราในฐานะผู้นับถือพระพุทธศาสนาเราก็ต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นเป็นผู้ชี้วัดแต่ถ้าเอาใจเราเป็นเครื่องชี้แหละบอกเอาใจข้าพเจ้านี่แหละรับรองก็ข้าพเจ้ามีราคาขึ้นมาราคามันรับรองไนยะตอนมันชอบราคามันรับรองตอนเลิกชอบแล้วราคาไม่เอาละ บางทีเอาอะไรรับรองเอาใจข้าพเจ้าใจไหนใจที่เกิดร่วมกับโทสะหรือมารับรองหรือเอาใจที่เกิดร่วมกับโมหะมารับรองเอาใจที่เป็นไปกับทานรับรองเอาใจที่เป็นไปกับศีลเอาใจที่เป็นไปกับสมถะเอาใจที่เป็นไปกับวิปัสสนาหรือเอาใจระดับไหนเป็นเครื่องรับรองเพราะฉะนั้นใจของเราวันหนึ่งคิดกี่เรื่องนและเอาใจตัวไหนเป็นตัวประกัน เพราะใจของสัตว์ทั้งหลายนี่มันฟูซะโดยมากฟูด้วยราคะฟูด้วยโทสะเป็นต้นไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสเป็นเครื่องฟูโดยประการทั้งปวงทุกอย่างที่ที่เราพิจารณาเนี่ยต้องเอาพระพุทธคุณเป็นต้นเป็นเครื่องวัดเอาคําสอนเป็นเครื่องรับรองทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยในสมัยนี้ไม่ควรเอาแต่เพียงสูตรเดียวเพราะว่าจากสูตรเดียวเนี่ยนะเราอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อน มองภาพไม่ชัดเจนก็ได้พันการฟังธรรมเนี่ยควรฟังให้กว้างขวางเอาไว้ก่อนอย่าปิดกั้นตัวเองว่าโอ้ยฉันเนี่ยนะแค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วปัญญานสันโดษจริงๆเลยแต่อวิชา ม, มากเข้าไว้ไม่เป็นไรอย่างง้นะว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าอย่าพึ่งพอเลยในการฟังเนี่ยนะฟังจนกว่าจะเข้าใจแต่ถ้าคนที่ฟังเข้าใจชัดเจนอย่างไรก็ต้องประมวลลงอริยสัจได้จะฟังเยอะขนาดไหนก็ฟังไปเถอะ ยังไงก็อยู่อริยสัจอย่างพระไตรปิฎกเนี่ยนะพราะมาว่าตั้งแต่อ่านมาเรื่อยๆก็ไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยก็มีแต่อริยสัจสูตรไหนก็มีแต่ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคฟังดูแล้วมีอยู่เท่านี้จริงๆแต่ก็มีปริยายใหม่ๆปริยายต่างๆแต่ว่าเอ๊ะเราก็ว่านี่ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคแต่พอไปฟังอีกสูตรหนึงเอ๊ะทำไมเนื้อหามันเหมือนเดิมนั่นแหละสาระก็คงเดิมแต่ทําไมความเข้าใจเราเปลี่ยนไปความที่เราเปลี่ยนไปเพราะในโลกของปุถุชนเนี่ยนะมันเปลี่ยน แต่ถ้าไม่เปลี่ยนนะเป็นปุตุชนด้วยแล้วไม่เปลี่ยนด้วยอะไรจะเกิดขึ้นยอมว่าดีไหมอนุรักษ์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยโอ้ยอะไรจะเลวร้ายขนาดนั้นมันมีอีกแล้วใช่ไหมเป็นปุตุชนด้วยแล้วไม่ยอมเปลี่ยนด้วยก็เสียหายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นศรัทธาเพิ่มขึ้นความรู้ความเข้าใจอริยสัจมีมากขึ้นอันนี้ดีเนี่ยนะ กุศลธรรมเจริญไอ้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงมีอยู่สองกลุ่มไม่เที่ยงเพราะเจริญกับไม่เที่ยงเพราะเสื่อมอันนะเอาฝ่ายฝ่ายเกิดหรือฝ่ายเสื่อมดีไม่เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงนะสิ่งที่เสื่อมไปก็ไม่เที่ยงไอ้คำว่าไม่เที่ยงคือมีความเกิดและความเสื่อมเป็นธรรมดาจึงเรียกว่าไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าเจริญขึ้นเจริญขึ้นดีแต่ถ้ากุศลเสื่อมลงเสื่อมลงเลวร้ายมากอากุศลก็ไม่เที่ยงแต่ถ้ามันเจริญขึ้นเจริญขึ้น เลวร้ายมากถ้าเสือเส่อมลงเสื่อมลงเออแจ๋วแจวดีดีดีนะนะมันก็ต้องดูว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนก็มาแยกจําแนกให้ดีๆเนี่ยนะมันก็ถ้าเราเปลี่ยนแปลงบ่อยๆทุกสามวันทุกเจ็ดวันเป็นต้นอันนี้ดีแต่เมื่อไรเมื่อไหรก็ซึมอยู่ตามเดิมถ้าอย่างนี้ก็เอเกิดอะไรขึ้นเนี่ย น, นะถูกอะไรตรึงไว้แล้วในใจเนาะถูกตะปูอะไรเนาะตรึงใจเอาไว้ทําให้ไม่เจริญเลยเนี่ย น, นะ ถ้าไม่เจริญในกุศลเมื่อไหร่นะเจริญกรุณาตัวเองได้เลยในบรรดาผู้ที่น่าสงสารที่สุดท่านก็คนหนึ่งแหละว่างั้นข้าพเจ้าก็คนหนึ่งแหละในบรรดาผู้ที่น่าสงสารที่สุดก็ดูสินี่กุศลก็ไม่เกิดอกุศลก็เกิดตามเดิมหมดเลยทุกอย่างปกปติหมดเลยพระพุทธคุณก็วิ่งหายไปหมดพระธรรมคุณก็หายพระสังฆคุณก็หายศีลก็ไม่นึกมาวิปัสสนาก็ไม่เจริญถ้าอย่างนี้ข้าพเจ้าน่าสงสารที่สุดแล้วเนี่ยนะ มันดูที่เนี่ยพระอนนท่านเห็นเรานะท่านจะคิดยังไงเน้ะอย่างเง้ยนะนั่นนะนัะน่นะนะนันก็ต้องมาเอ า, เอาพระธรรมเนี่ยมาคไขค ร, รววในชีวิตที่เป็นจริงให้ได้มากๆคิดแบบคล้ายๆนะพะนางมริกาเนี่ยพนางมริกามีอยู่ครั้งหนึ่งหลอกสามีทีนี้หลอกสามีเนี่ยก่อนตายนางคิดอย่างนี้ว่าเออเรานี่หลอกสามีใช่ไหมเราก็รู้แก่ใจพระพุทธเจ้ารู้แน่เล ย, เลยว่าเราหลอก พระสารีบุตรก็รู้นะเนี่ยพระนรนทก็รู้พระนั้นก็รู้พระองค์น้องก็รู้ยิ่งคิดอย่างนี้ยิ่งเศร้าใจเลยนะตกนรกเลยแต่ที่พูดเมื่อกี้หมายถึงว่าเนี่ยสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราไม่สงสารตัวเราหรือทําไมจึงปล่อยให้บาปอากุศลเล่นงานอยู่นั่นแหละเนี่ยนะเพราะความเศร้าหมองทั้งหลายไม่ได้เป็นผลดีทั้งโลกนี้ไม่ได้เป็นผลดีทั้งโลกหน้าก็กลายเป็นผู้ที่เบียดเบียนตนเนี่ยนะ ทำไมเราไม่เจริญคุณธรรมะแสดงว่าเพราะเราขาดศรัทธาเป็นแน่เราไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าทําไมเนาะเราจึงไม่เลื่อมใสในพระองค์แสดงว่าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเพราะผู้ใดที่จะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธามาดูว่าพระพุทธเจ้ายังมีศรัทธาแม้กระทั่งในพระสาวกเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธามากเลยนะเห็นสาวกเดินมาพระองค์ก็เลื่อมใสและมาดูในเทรสูตร ข้อ42หน้า88สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตะวันอารามของท่านอนาถบินธิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคลานะอันนี้ก็อักษรสาวกขวาซ้ายท่านพระมหากัสปะคือสาวกองค์ที่สท่านพระมหากจัจยนะคือผู้มีปัญญามากแสดงเนติปกรเป็นต้นท่านพระมหาโกธิตะก็คือเอตทัคะด้านปฏิสัมพิทา ท่านพระมหากปินะก็เป็นเอตทักฆะด้านสอนบริษัทเนี่ยนะพระมหากปินะเก่งมากสอนครั้งเดียวบรรลุห้าอยเลยท่านพระมหาจุนทะนี่ก็อุปถากองค์หนึ่งพระนุรุทธะก็มีตาทิพพระเรวตะก็เลิศทางอยู่ป่าท่านพระนันทะก็เป็นน้องน้องต่างมารดาของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวพระนันทะเดี๋ยวเรียนไปข้างหน้าจะมี นะก็มหานี Salvador, ama, hold, 是是่แปลว่าเป็นผู้ใหญ่มากเนี่ยนะเป็นเป็นพระที่มีบริวารมากแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากแล้วก็มีความรู้ความสามารถสูงมากท่านเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นท่านเหล่านั้นกำลังมาแตกไกลครั้นแล้วตรัสเรียบที่สูทั้งหลายว่าดูก่อนที่สูทั้งหลายพรามเหล่านั้นกาลังมาดูก่อนที่สูทั้งหลายพรามเหล่านั้นกาลังมา เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่อย่างนี้แล้วภิกษุผู้มีชาติเป็นพราหมณ์รูปหนึ่งแต่พวกนี้ถือเ อ, เอาวันนะเป็นหลักนะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะเหตุเพียงเท่าไหร่น้อแลและธรรมะที่ทําบุคคลให้เป็นพราหมณ์เป็นฉนะไหนถามแบบพราหม์อะไรเมื่อกี้นี่แหละพราหม์อะไรนะพราหมมัจตาวาดผู้อื่นมาเหอะๆนี่แหละคำถามแบบเดียวกัน ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วทรงเป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าชนเหล่าใดลอยบาป ท, ทั้งหลายได้แล้วมีสติทุกเมื่อมีสังโยชน์สิ้นแล้วพุทธาพุทธาเนี่ยแปลว่าตรัสรู้แล้วพุทธพุทาตัวนี้นะเป็นสุตตพุทธาสาวกเนี่ยขอไปเป็นสาวกกับพุทธคนที่มีคุณธรรมดังกล่าวเนี่ยนะชนเหล่านั้นแลเชื่อว่าเป็นพราหมณ์ในโลก จริงเนื้อหาออค่อยๆ อ, อธิบายตามลําดับตามอัตถกฐาฐนี่ดีที่บายสั์แรกก่อนคําว่าสาวัตถยังวิหารติสาวัตถีสาวัตถีทำไมเมืองนี้จึงชื่อว่าสาวัตถีในหน้า90บอกว่าเพราะเป็นเมืองที่มีเครื่องอุปโภคและบริโภคทุกชนิดสําหรับมนุษย์เพราะสมัยนั้นถือว่าเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากข้าวของเครื่องใช้เนี่ยนะของรับประทานเนี่ยมีส ม, สมบูรณ์หมดเลยถ้าตอนนี้ไปหาอะไรได้บ้างมีซากอิฐนด มีมูลโคเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเอาพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยนะเมื่อถูกถามว่าที่นี้มีสิ่งอะไรในกา ร, รในการประกอบเป็นพวกจึงเรียกว่าสาวัติต่อว่าเพราะอาศัยคําว่าสัพพมัติมีอยู่ทั้งหมดนะสิ่งทั้งหมดมีอยู่อะไรมั่งไม่มีในเมืองนี้มีหมดอะไรบ้างท่าเพราะนั้นคำว่ า, เ, าเครื่องอุปกรณ์ทั้งหมดมีพร้อมมูลโดยประการทั้งปวงในเมืองสาวัติเพราะอาศัยความพร้อมมูล อันนะั้นพอมีทุกอย่างนี่แหละเขาเลยเรียกว่าสาวัถีสาวัถีเนี่ยพระองค์พักที่ไหนประทักที่เชตวันเนี่ยนะเชตวันเชตวันนี่ก็แบ่งเป็นสองสั์เชตะบวกวันะเชตะแปลว่าชนะฆ่าศึกหมายถึงว่าเจ้าชายเชษตคนเนี้ยเชตะตัวนี้เนี่ยเจ้าเชษคนเนี้ยประสูติตอนที่พระราชาชนะฆ่าศึกชนะฆ่าศึกก็เลยประสูติพอดีเลยนะก็เลยเรียกลูกชายว่า เจ้าเชดิดเจ้าเชดิดหรือบางทีก็อย่าไปคิดมากนะชื่อจะตั้งว่ายังไงก็ได้ตั้งบุญมาบุญมีบุญมากบุญอะไรก็ตั้งได้หมดแหละไม่ยากอะไรนะใช่ไหมชื่อเนี่ยมันตั้งเอาเลิศรู้วิจิตขนาดไหนก็ได้เพราะจะไปคิดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องชื่อแส้เนะีนะ่ยวะันะแปลว่าคบหาอ่ะนะเชตะวันะวันเนวันะที่แปลว่าป่าป่านี่หมายถึงคบหาอธิบายว่าทําความพักดีในตนให้เกิดแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยคุณสมบัติของตน อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าวณะนะที่แปลว่าป่าเนี่ยแปลว่าร้องขอเหมือนร้องขอเหล่าสัตว์ว่าพวกท่านจงใช้สอยเราด้วยการขานเสียงร้องของวิหกมีนกด่าเป็นต้นด้วยความเมาในความเพลิดเพลินด้วยดอกไม้และของหอมนาน า, นาชนิดและด้วยมือคือใบอ่อนของกิ่งไม้ที่ทถูกลมอ่อนๆพัดโชยเพราะฉะนั้นลมอ่อนๆอ่าขอไปลมที่พัดใบไม้อ่อนๆปลิวสวยัยเหมือนกับใบที่กวักมือเรียก เข้ามาเที่ยวหน่อยซิเข้ามาเที่ยวหน่อยซินั้นคําว่าวันนะแปลว่าร้องขอเชิญชวนให้คนมาเที่ยวมาเงี้นนะสวนของเจ้าเชษชื่อว่าเชตาวันสวนนี้เป็นสวนที่ปลูกขึ้นนะเพราะว่าราชกุมารพระนามว่าเจ้าเชษเนี่ยปลูกแล้วก็สร้างให้เจริญรักษาเอาไว้สวนนั้นก็เลยเรียกว่าเชตาวันเป็นป่าปลูกขึ้นนะก็เป็น บ้านเราก็เหมือนสวนลุมสวนจตุจักรเป็นต้นเนี่ยนะ ท, ที่ได้รับการเพราะปลูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีส่วนอนาถบินทิกระสะอารามีก็คืออารามของอนาถบินทิกะอนาถบินทิกะนี้ชื่อจริงเขาชื่อว่าสุทัตะเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์80โกดสมัยนั้นเฉพาะทรัพย์แบบแบบอะไรนะแก้แหวนเงินทองเนี่ยแปโกดไอพวกข้าวของเครื่องใช้ไม่นับเนี่ยนะแต่ตัวทรัพย์จริงๆเลยเนี่ยมีเงินนอนคลังเนี่ยแปโกด แปโกดสมัยกระเบือตัวละสองสาบาทอะไรงี้ยนะสมัยนี้กระบือตัวละห 10, มื่นหมื่นกับบาทเลยนะค่าขายะตระกูลเขาก็ตระกูลมั่งมีอยู่แล้วสืบทอดมาด้วยแล้วก็เป็นพ่อค้าเป็นเจ้าของโรงงานหลายแห่งใ น, นอนาาจะนี้มีโรงงานหลายแห่งเป็นพ่อค้ามีกองเกวียนค้าขายเกวียน500เล่มอย่างเงี้ย สุทัตตะนี่ชื่อจริงเนี่ยเป็นชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ก็ท่านเศรษฐีนั้นให้ก้อนข้าวแก่คนอนาถาเป็นประจํานิตยการคือเป็นปกติเพราะมีความสําเร็จในสิ่งที่ประสงค์ทุกประการเพราะประาศจากมนทินคือความตรณีเพราะพรั่งพร้อมด้วยคุณมีกรุณาเป็นต้นท่านเลยชื่อว่าอนาถาบินทิกะแปลว่าก้อนข้าวของคนอนาถาเนี่ยนะเป็นเป็นคนใจกรุณาจริงๆอ่ะนะถ้าไปหาท่านนั้นไม่มีคําว่าอดอีกแล้ว เป็นเศรษฐีใจบุญเห็นคนสงสารไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอิ่มแน่เหมกันเชื่อว่าอารามอารามนี่เพราะเป็นที่ยินดีของสัตว์พิเศษก็คือโดยพิเศษหมายถึงนักบวชอธิบายว่าผู้มาจากที่นั้นนนัน้ย่อมยินดีเพลดิดเพลินไม่เบื่อหน่ายอยู่ด้วยความงามของดอกไม้และผลไม้เป็นต้นและด้วยความสมบูรณ์แห่ ง, หงองค์ของเสนาสนะหประการ เชตวันในสมัยพุทธกาลนี่ชื่อว่าไม่ไกลจากที่บินทบาทเกินไปไม่ใกล้จากที่บินทบาทเกินไปไม่พลุกพล่านเป็นต้นเนยนะมีองคุณหลายอย่างด้วยกันอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอารามเพราะนำคนแม้ไปในที่นั้นนนัน้มายินดีเฉพาะในภายในตนด้วยสมบัติมีประการดังกล่าวแล้วอารามนี่นะสถานที่นี้ท่านนาถบินทิกคาครหบาดีเนี่ยใช้เงิน18โกรซื้อจาก พระหัตของราชกุมารพระนามว่าเจ้าเชษดโดยการเอาเงินโกดปูราดเนี่ยนะสิโกดเนี่ยปูราดคือเขามีอย่างงี้ยนะบอกว่าท่านนาถาเนี่ยหลังจากที่ไปฟังธรรมที่เมืองราชคฤชเนี่ยนะไปค้าขายที่เมืองราชคฤกแล้วก็ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบรรลุปเป็นพระโสดาบันก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาโปรโดทางเมืองสาวัตถีบ้าง พระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ให้ยินดีในที่สงัดก็เข้าใจเลยนะว่าเราจะต้องไปหาซื้อที่ดินที่สงัดแล้วก็ไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินไปชาวเมืองเข้าไปฟังธทำได้เป็นต้นก็ไปเห็นสวนของเจ้าเชิดก็ไปขอซื้อเจ้าเชิดก็แกล้งตีราคาเล่นๆนะนะผู้เล่นเสรนะ็จตรงรงท่านจะขายหรือไม่ขายคือเจ้าเชิดเนี่ยพูดเล่นว่าถ้าเอาเงินมาปูในะี่ยฉันก็ขายผู้เล่นนะไม่ได้พูดจริงเพราะจริ ง, รงๆไม่อยากขายเลยรักสวนตัวนี้มาก เสร็จแล้วเออตกลงท่านขายจริงใช่ไหมไม่ขายเอาไงกันแน่ก็เลยฟ้องศาลเลยนาถาฟ้องศาลเลยบอกว่าตกลงเจ้าเชษ จ, จะขายหรือไม่ขายถ้าประเมินราคาถือว่าขายเขาถืออย่างนั้นนะสมัยนั้นศาลก็ตัดสินพ่วงมาเลยบอกว่าถ้าตีราคาแล้วถือว่าขายนาถาก็ดีใจใหญ่ก็เลยไปขนเงินเนี่ยนะใส่เกวียนมาปูปูปูปู ป, ป, ป, ป, ปูเว้นเฉพาะที่ตรงต้นไม้เนี่ยนะเอาเงินมาเกลีย่ยเกลี่ยหมดไปสิบแปโกดเหลือเฉพาะซุ้มประตูเนี่ยไม่ได้เกลีย่ย เจ้าเชษบอกพอแล้วพอแล้ว18โกปดโกรดนนะนี้พอซื้อได้เสร็จเนี่ยเจ้าเชษนี่ท่านก็กเก่งจริงๆท่านเอาเงิน18โกรดเนี่ยข้างล่างนะข้างล่างเนี่ยบรรทัดล่างสาบรรทัดเนี่ยท่านเอาเงิน18โกรดสร้างซุ้มประตูนะซุ้มประตูเจ้าเชษนี่สร้างหมด18โกรดเลยนะจนถึงขนาดเคยมีเดียร์ถีหลายคนเนี่ยบางคนเนี่ยไปถึงเนี่ยจะไปประลองคารมกับพระพุทธเจ้าไปเห็นประตูเข้าวัดก็เลยกลับบ้านเลย บไม่คุยแล้วว่างั้นยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่คุยด้วยแล้วไม่กล้าไปถามปัญหาแล้วอนณาฐานีสร้างเสนาสนะที่อยู่อีก18โกดฉลองวิหารอีก18โกดเพราะฉะนั้นทาบุญแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข54โกดก็โกดก็10ล้านนะนะหล้านสมัยนั้นนะไม่ใช่สมัยนี้ มันก็เลยเรียกว่าอารามของอนาถบินทิกะเชตวันเนี่ยนะเจ้าของเดิมอนาถบินทิกะ อ, อารามเมเป็นเจ้าของหลังแม้คําทั้งสองก็มีความมุ่งหมายให้ถือเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปของผู้ต้องการบุญโดยการแสดงการบริจาคเป็นพิเศษของท่านทั้งสอง เ, เ, เมื่อว่าโดยการสร้างซุ้มประตูและปราสาทที่เชตวันนั้นเจ้าเชษทรงบริจาค18โกดซึ่งได้จากการขายที่แล้วต้นไม้เนี่ยไม่ขายอีกมูลค่าเยอะนะ ล้วก็ไม่ไม่ตีราคาต้นไม้อะไรเพราะว่าต้นไม้ท่านบริจาคไปเลยส่วนท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีบริจาค54โกรเจ้าเชษนี้หมดไปหลายสิบโกรธนะยอนาถาก็หมดเฉพาะสร้างเอ่อซื้อที่สร้างฉลอง54โกรหลังจากนั้นทําบุญมาไม่นับนน เพราะฉะนั้นพระอ น, นุลผู้เป็นธรรมพันดาคาริคผู้รักษาเรือนคลังเมื่อจะแสดงว่าผู้ต้องการบุญย่อมทำบุญอย่างนี้ด้วยระบบถึงการบริจาคของท่านทั้งสองจึงชักชวนผู้ต้องการบุญแม้เหล่าอื่นด้วยการดาเนินตามเยี่ยงอย่างของท่านทั้งสองนั่นเงก็ถือว่าเป็นเยี่ยงอย่างนะพันพระสูตรเนี่ยนะเป็นร่วมเป็นพันสูตรเลยนะเชตวันทั้งปี นเชตวนเนอนาทปินฑ oh, ิกาสารามิตตรโคภควาอะไรก็จะมีเนี่ยเอกังสมัยยังภควาสาวัตยังวิหารติเชตวันเนี่ยคำนี้ถือว่าเป็นคําที่โหลมากเลยนะมีเป็นพันๆแห่ง <c oughs> ต่อไปมาดูย่อหน้าข้างล่างเลยนะส่วนนั้นก็เกี่ยวกับไวยากรณ์ย่อหน้าล่างที่บอกว่าสารีบุตรเพราะเป็นลูกของนางพรามณีชื่อว่าสารีคือนางพรามณีเนี่ยรูปสารีก็คือสาระใช่ไหม สารีก็คือผู้มีสาระก็คือนางเนี่ยเป็นคนรูปสวยมากแม่พระสารีบุตรเป็นคนสวยมากแล้วก็มรีรวยมากด้วยก็เลยเรียกว่าสารีนางสารีผู้มีรูปเป็นสาระนะรูปหมายถึงรูปสวยด้วยแล้วก็รวยด้วยนะลูกของนางสารีก็เลยเชื่อว่าสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยผิวของท่านเหมือนทองคํเนี่ยนะเป็นคนงามมากนะถรโมคลานะนี่ผิวเหมือนดอกอุบลเขียวนึกไม่ออกเป็นยังไงเนี่ย ก็ว่า ง, งามอีกเหมือนกันเราก็นึกไม่ออกตาไม่ถึงต่อไปชื่อว่าพระมหาโมคขลานะเพราะเป็นผู้ใหญ่โดยคุ ณ, ณวิเศษพระเรวตะหมายถึงคัทิระเรวตะไม่ใช่กังขาเรวตะคัทิระเรวตะก็คือน้องพระสารีบุตรน้องคนเล็กชอบอยู่ป่ามากองนี้เอตะทะคะป่าที่ท่านอยู่นะคนอื่นชอบอยู่ป่าที่ร่มรื่นงดงามแต่ท่านเลือกไปอยู่ป่าสแกป่าที่ไม่มีใครไปแย่งเลยแหละเนีท่านไปอยู่ป่าประเภทนั้นนะ่ะ จึงอยู่วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยภิกษุหมูใหญ่ขนาดพระพิสูตเนี่ยเยอะมากเป็นพันพันรูปเลยแหละเหมือนพระจันทร์ลอยเด่นท่ามกลางท้องฟ้าต่อที่ดูนะพระพุทธเจ้ามีรัศมีใช่ไหมพระพิสูตจะนั่งเป็นพันพระพุทธเจ้าก็เด่นกับเพื่อนอยู่แล้วพระองค์นี้ประทับนั่งแสดงธรรมคือหมวดแห่งสัจจะสี่ท่ามกลางอริยสัจสี่ก็อย่างที่ว่าพระองค์แสดงธรรมก็คือแสดงอริยสัจนั่นแหละ เหมือนปราสาททองที่แวดวงด้วยม่านม่านแดงอ่ะนะเหมือนภูเขาทองแวดล้อมด้วยโชรธานน้ำเงินภูเขาทองมีสายน้ำที่เป็นสีเงินไหลโดยรอบเนเหมือนพญาหงษ์ทัต ร, ระทะแวดล้อมด้วยหงเก้าหมืน่นเหมือนพระเจ้าจากักรพรรดิแวดล้อมด้วยจตุรงคินีเสนาอันรุ่งโรดด้วยรัตนเจดสมัยนั้นพระอร拉าสาวก อ克拉 ก, ก็คือสาวกผู้เลิศทั้งสองคือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะและพระมหาสาวกคือสาวกผู้ใหญ่เหล่านี้ได้เข้าไปเฝ้าเพื่อถวายบังคมพระยุคคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าคิดดูนะว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาหนึ่งอสงไขยแสนกับองค์อื่นๆเนี่ยอย่างน้อยแสนกับทั้งนั้นเลยที่เดินมาเนี่ยนะก็คือผู้มีบุญหนักศักย์ใหญ่สั่งสมบุญมาม า, มาก พระองค์ก็พอเห็นภาษาวกเหล่านั้นก็เรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกขุอมันเตสิก็คือตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายความว่าทรงแสดงภาษาวกเหล่านั้นผู้กำลังมาตรัสกับภิกษุผู้นั่งแวดล้อมพระองค์จริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นท่านเหล่านั้นคือภาษาุรรเป็นต้นเนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญา เป็นต้นะนะก็คือมีปัญญามีวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะฮิริโอตต ะ, ะสัทธาสินสุตาจาคะปัญญาสติสัมปชัญญะคุณธรรมยยเยอะแยะไปหมดเลยนะท่าพระ อ, องค์เห็นท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีคุณธรรมจริงๆอ่ะนะแล้วกิริยาทางกายก็เป็นผู้ที่มีกายที่สงบเยือกเย็นประกอบด้วยสมบัติคือมัญญาติอย่างยิ่งคืออปอากปะกิริยาเนี่ยนะเป็นกิริยาของผู้ที่ได้รับการฝึกมาจน สำเร็จไม่มีการคึกขนองสายตาเป็นต้นก็ไม่คึกขนองเป็นต้นท่านเหล่านั้นกําลังเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีพระทัยเลื่อมใสพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่มีศรัทธาแข็งกระด้างไม่มีใครอยู่ในสายตาไม่ใช่พระองค์เนี่ยเป็นสุดยอดของผู้มีศรัทธาผู้มีศรัทธาที่สุดเนี่ยนะเขคือพระพุทธเจ้าพระองค์เลื่อมใสแม้กระทั่งว่าคนถึงสารณะพระองค์ก็เลื่อมใสคนให้ทานพระองค์ก็เลื่อมใสคนให้ศีลพระองค์ก็เลื่อมใส คนที่เจริญสมถาวิปัสนาบรรลุมรรคผลตามลํานดับพระองค์เลื่อมใสหมดเลย น, น, นะคือพระองค์เป็นผู้มีศรัทธาอย่างแท้จริงแล้วศรัทธาเหล่านี้นะเป็นอริยทรัพย์ของพระองค์ขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังแบ่งทรัพย์เหล่านี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ไม่มีใจที่เรียกว่าริษยาแม้แต่นิดเดียวเป็นคนที่บริบูรณ์ด้วยมุ้ิตาเนี่ยนะผนพระองค์เลื่อมใสเพื่อจะระบุถึงคุณวิเศษของพระสาวกเหล่านั้น จึงตรัสเรียกพิสูจทั้งหลายว่าพิสูุทั้งหลายพรามเหล่านั้นกาลังมาพิสูทั้งหลายพรามเหล่านั้นกำลังมาคํานั้นพระองค์นี้ตรัสด้วยอําโนภาพของความเลื่อมใสและพระองค์ตรัสด้วยความยกย่องสรรเสริญเหตุที่พระผู้เจ้าบอกว่าพิสูนทั้งหลายพร า, ามเหล่านั้นกำลังมาพิสูจน์เราทั้งหลายพร า, ามเหล่านั้นกำลังม า, า, goodies, า, ามเหตุผล ท, ที่ตรัสอย่างนี้2ประการคือหนึ่ง ประกาศถึงความเลื่อมใสของพระองค์และก็สองพระองค์ต้องการจะสรรเสริญพระพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นทีนี้มีพิสูจนที่เกิดมาจากตระกูลพราหมเนี่ยนะบวชมาจากตระกูลพราหมณ์มหาสารที่มีโภคะร่ำรวยมากได้ยินว่าพิสูจนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าชาวโลกเหล่านี้กล่าวกันว่าบุคคลเป็นพราหมณ์โดยอุปโตสุชาติหมายคาอว่าพ่อก็เป็นพราหม์แม่ก็เป็นพราหมณ์ลูกที่คลอดออกมาก็ต้องเป็นพราหม์ หมายความว่าพ่อเนี่ยก็เป็นพราหมณ์มาสืบต่อกันมาเจ็ดเชั่วคนและแม่ก็สืบต่อกันมาเจ็ดชั่วคนเพราะฉะนั้นอย่างนี้จึงจะเป็นพราหมณ์แท้และสําเร็จการศึกษาลัที่พราหมณ์นะจบไตรเพศมาเนี่ยจึงจะเป็นพราหมณ์ไม่ใช่เป็นโดยประการอื่นแต่พระพุทธเจ้านี้ตรัสเรียกท่านเหล่านั้นว่าเป็นพราหมณ์เอาเถอะเราจะทูลถามถึงลักษณะของความเป็นพราหมณ์กับพระผู้มีพระภาคเจ้า คราวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงพระเถระเหล่านั้นว่าเป็นพรามหมณไม้เอาความนั้นแหละจึงจิงอยู่รูปวิเคราะห์ว่าชาติพราหมณ์ชื่อว่าเป็นพรามเพราะสาทยายมนั้นวันณพราหมเนี่เพราะสาทยายนั้นส่วนพระอริยะชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะเป็นผู้ลอยบาปดังที่พระองค์ตรัสว่าเรียกว่าพราหม์เพราะเป็นผู้ลอยบาปเรียกว่าเป็นสมณะเพราะผู้ประพฤติสงบทางกายวาจาและใจสงบราคะเป็นต้น ในที่นี้ประสงค์เอาว่าเป็นพรามหมายถึงลอยบาปประทรรมเอตมัตถังวิธิตวาทราบเนื้อความแห่งพรามสับอันถึงความเป็นยอดโดยปรามัดเรียกว่าสุดยอดของพรามเนี่ยนะสุดยอดของพรามหรือพรามโดยสภาวะโดยปรามัดหมายถึงพรามที่มีคุณธรรมดังกล่าวต่อไปคือเป็นผู้ลอยบาปทั้งหลายได้แล้วใช่ไหมเป็นผู้ คำว่าลอยบาปก็คือทำบาปเอาไว้ภายนอกไม่ให้มีบาปไว้ภายในเลยด้วยอะไรด้วยอนุภาพของสมุทเชตตาปะหารสมุทเชทตาปะหารเป็นชื่อของอะไรโซดาปฏิมักสกัตาคามิมักอนาคามิมักและอรหัตตมักเพราะฉะนั้นท่านกําจัดบาปนําบาปออกจากขันธสันดานจากจิตใจเนี่ยด้วยอนุภาพของอรหัตตมักนั่นเองบทว่าปาปเกธรำเมปาป ปาปะเนี่ยนะปาปเกปาปะเนี่ยหมายถึงโดยทั่วไปนิยมแปลว่าลามกนะอกุศโลธรรมอันลามกอกุสโลธรรมอัลามกที่พระอรหันต์ละออกไปมีอะไรบ้างว่าโดยทุจริตกลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่หนึ่งว่าโดยทุจริตหมายความว่าท่านละทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจว่าโดยจิตตุ บ, บาทที่ท่านกําจัดออกไปก็คือกําจัดอกุศลจิต12 ว่าโดยกรรมบทท่านกําจัดอกุศลกรรมบท10โดยประการทั้งปวงว่าโดยประเภทแห่งปวัติปวัตะหมายถึงบาปอกุศลทั้งหลายที่แยกประเภทเป็นอกุศลหมวด1หมวด2หมวด3มหมวด4หมวด5หมวด6หมวด7หมวด8หมวด9หมวด10หมวด1ิบเจนถึงหมวดทิฏฐิหกหมวดร้อเนี่ยนะคิดว่าถ้าดูเรื่องกิเลสพิสดารจริงๆในคุถกะวิพังคัมภีวิพังเลยจะพูดถึงอกุศลมาอย่างละเอียดยิบไปหมดเลย อนั้นอกุศลประเภทเยอะแยะไปหมดเหล่านั้นผ้าอรหันต์กำจัดได้หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยนันคําว่าผ้าอรหันต์พรามตรงนี้หมายถึงลอยบาปประธรรมคือทุจริตสามอกุศลจิตสิบสองอกุศลกรรมบทสิบแล้วก็ทำนะที่ควรละหนึ่งคืออะไรนะมหาตถาธรมธรมทำหนึ่งที่ควรละอัศมิมาณนฑะ์รำสองที่ควรละอวิชากับภาวะตันหา ทำสามที่ควรละคือตัณหาสามทำสี่ที่ควรละคือโอคาสีทำห้าที่ควรละคือนิวรห้าทำหกที่ควรละคือตัณหากายะหกทำเจ็ที่ควรละคืออนุสัยเจ็ดทำแปดที่ควรละคือมิชะตะ8ปดทำเก้าที่ควรละคือตัณหาเป็นมูล9แล้วก็ทำสิบที่ควรละคือมิชะตะสิบ<ท>เป็นต้นทำสิบสองที่ควรละคืออะไรสิบสองไม่มีไหมหมดสิบสอ มีมทำส1บบางแห่งก็หมายถึงมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10ทํา20ก็คือสกายทิฐิมีวัตถุ20 62ก็คือทิฏฐิ62 108ก็คือตัณหา108 1 5ก็คือกิเลส1ันห้าเป็นต้นถาอรหันต์กำจัดได้อย่างไม่มีส่วนเหลือละบาปเหล่านั้นหมดเกลี้ยงด้วยอนุภาพของอริยมรรคทั้งหลายมีโสดาปติมรรคสกาทาคามิมารรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรค บทว่าเยจรันติสทาสตาความว่าชนเหล่าใดมีสติเนี่ยนะสตาเนี่ยแปลว่าผู้มีสติคือเป็นผู้มีสติอยู่อนะด้วยธรรมเครื่อหมายถึงอ่ะด้วยธรรมเครื่องอยู่คือสติหในอารมณ์เนี่ยนะมีรูปเป็นต้นตลอดการทั้งปวงเพราะเป็นผู้ถึงความภัยบู์ด้วยสติย่อมเที่ยวไปในอิริยาบดี คือพระอรหันเนี่ยนะท่านยืนเดินนั่งนอนรับรูปเสียงเปลี่ยนรถโพธิ์พระธรรมลมไม่มีขณะไหนที่เว้นจากสติเลยเพราะสติท่านภัยบู์เต็มที่พูดแบบภาษาหนึ่งบอกไม่มีคําว่าเผลอไม่มีคําว่าเลอะเลือนเลอะเทอะเลอะเรือนอะไรไม่มีเลยเนี่ยนะไม่มีคําว่าเผลอแม้แต่นิดเดียวนั่นคือพระอรหันเพราะสติท่านสมบูรณ์จริงๆ แต่ที่ใดใช้คําว่าสติที่นั้นบวกสัมปชัญญะไปด้วยสัมปชัญญะมี4ใช่หมหนึ่งศาสกะสัมปชัญญะ2โคจรสัมปชัญญะ3สัมปายะสัมปชัญญะ4ี่อสัมโมหะสัมปชัญญะคือความที่ท่านมีสติที่สัมปยุติกับสัมปชัญญะ4ในอารมณ์6อิริยาบถ4ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนรับรูปเสียงกลิ่นรสโพธะธรรมอารมณ์เนี่ยนะท่านไม่เผลอจากศาสกะสัมปชัญญะ สัพายาสัมปัญญาโคจรสัมปัญญาและอะสัมโมหสัมปัญญเนนะ เ, เ, เ, เลยนะเก่งจริงๆเลยนะน่ากราบน่าไหว้มากทาไมไหว้บุคคลขนาดนี้ไม่รู้จะไปไหว้ใครเนาะไปไหว้ขี้เหล้าเมายาก็ไม่ได้เรื่องอะไรต่อไปคีณาสังโยชนาได้แก่ชื่อว่าสิ้นสังโยชตทั้งปวงเพราะตัดสังโยชนสิบได้เด็ดขาดด้วยอริยมรรสีอริยมรรสีคืออะไรโซดาปฏิมรกําจัดสากายาทิฐิวิจิกิจชา ศีลพัตะปรามาติริศยากับมัชชะยะเนี่ยนะสังโยชนี่บางแห่งก็หมายถึงสังโยชนิสิแบบสุตันแบบพระสูตรกับแบบพระพิธรรมโสดาปฏิมักําจัดสกายทิทีวิจิกิจฉาศีลพัตะปรามาติริศยามัชชะยะสกัาคามีมักทําการมมาราฆาปฏิฆาอย่างหยาบให้หายไปอนนาคามีมักกาจัดการมมาราฆาปฏิฆาอย่างละเอียด อรหัตมั ก, กําจัดรูปปราคะรู ป, ปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาได้อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นท่านสิ้นสังโยชนิบด้วยอริยมรรคทั้งสพุท ธ, ธาพุท ธ, ธาที่แปลว่าตรัสรู้แล้วเนี่ยนะนี่ชื่อว่าพุท ธ, ธาเพราะตรัสรู้สัจจะสพุท ธ, ธานี่เน้นที่รู้อริยสัจ ท, ทั้ง4เรียกว่าพุท ธ, ธาพุท ธ, ธานี้โดยศัพเนี่ยนะมีอยู่สาประการเอาแบบพุท ธ, ธาจริงๆเลยนะีคือสาวกกับพุท ธ, ธา ปจเจกพุทธะสัมมาสัมพุทธะสาวกพุทธะนับตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นปัจเจกพุทธะก็คือตรัสรู้อริยสัจโดยด้วยตัวเองสัมมาสัมพุทธะก็คือตรัสรู้อริยสัจแล้วสอนให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามตรงนี้พระพุทธเจ้าชมพระสาวกทั้งหลายหมายถึงพุทธะที่เป็นสาวกพุทธะที่เป็นบุตรของพระองค์นั่นแหละ บทว่าเตเวโลกัสมิงบรมนาความว่าพุทธเหล่านั้นคือสาวกของพุทธเหล่านั้นเกิดโดยอริยชาติในธรรมะคือพราหมณเพราะอถ า, าว่าเป็นผู้ประเสริฐและเป็นบุตรคือโอรสของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้ที่เกิดจากอกของพระพุทธเจ้ากันนะโอรสเนี่ยนะถือว่าเกิดจากอกนะอกในที่นี้หมายถึงธรรมะเนี่ยนะหมายถึงโพธิปัจจะธรรมที่เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้านั่นแหละ ผู้เป็นพราหมณ์เพราะฉะนั้นชื่อว่าเป็นพรามณ์โดยปรามัตดเนี่ยนะชื่อว่าพราหมณ์ในสัตว์โลกไม่ใช่เป็นพราหมณ์โดยเหตุสักแต่ว่าชาติพราหม์โคตรพราหมณ์ตระกูลพรามไม่ใช่หรือไม่ใช่เป็นพราหม์เพราะเพียงแต่ว่าทรงชดาเป็นต้นนะนะหาสัญลักษณ์ถ้าตอนนี้เขาเขาถืออะไรเป็นว่าเป็นพราหม์นี่ยเขาบอกว่าบางท่านเล่าให้ฟังว่าเขาถือเอาสายสังสายไอ้เส้นได้ที่ห้อยคอเรียกว่าเป็นพราหมณ์ อถ้าเป็นพรามขนาดนี้มีได้กี่เส้นแขวนคออะไรกนเะนี่ยเขาจะมีสั ญ, ญลักษณ์ของเขาเนะถือเอาได้เป็นนักเนี่ยนะเนะช่ามาพวกนี้ก็จะไปอาบน้ำเนี่ยนะไปล่องน้ำอะไรที่อะไรนะคงคาจะไปเห็นพวกนั้นอาบน้ําบอกโอ้ยบินไปตั้งจังไปดูคนแขกอาบน้ํามีแค่นั้นหรอเนี่ยนะตื่นแต่ดึกเลยนะออกมาก็ฝุ่นตลบไปหมดไปดูคนอาบน้ําไปดูเขาเผาศ้กนะไปดูวัดธาตทองเนะี่ยดูเท่าไหร่เนะีนะ่ย ในสองสูตรเนี่ยนะสองสูตรคือสูตรไหนอาชาปาระนิโครธ ส, สูตรกับเถรสูตรสองสูตรนี้พระองค์เนี่ยแสดงธรรมอันเป็นพราหมณ์พระองค์ตรัสถึงพระอรหันต์พระอรหันต์นะอรหันตตัวนี้หมายถึงอรหันตตะพด้วยประการชนิดแต่เพิ่งทราบความต่างกันแห่งเทศนา น, นะทั้งทที่สองสูตรเนี่ยนะสองสูตรเนี่เนื้อหาอัตถสาระไม่ต่างกันเลยแต่ก็ใช้คําที่ต่างกัน เช่นสูตรก่อนเนี่ยนะอะไรพระองค์บอกว่าพราหมณใดมีบาปประรรมอันลอยเสียแล้วไม่มักตวัดผู้อื่นว่าเฮ่เฮไม่มีกิเลสดุดน้ําฝาดมีตนอันสํารวมแล้วถึงที่สุดแห่งเวทอยู่จบพรหมจรรย์แล้วไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นในโลกไหนๆพราหมณ์นั้นควรกล่าวว่าทะว่าเป็นพราหมณ์โดยชอบรำอีกสูตรหนึ่งบอกว่าชนเหล่าใดลอยบาปประธรรมได้แล้วมีสตทิทุกเมื่อมีสังโยชน์สิ้นแล้วตรัสรู้แล้วชนเหล่านั้นแล เชื่อว่าเป็นพรามในโลกสองเรื่องนี้ไม่ต่างกันโดยสาระอัตสาระไม่ต่างกันเลยแต่ที่แสดงต่างกันด้วยเหตุผลสองประการหนึ่งเทศนาวิราชความงดงามแห่งเทศนาผู้เรื่องเดียวนี้ทําไมจะต้องใช้คำซ้ำซ้ำซักซากใช่ไหมฟังแต่คําักซ้ําๆซ้ำซักซากมจะไปเพลาะได้ยังไงทันเทศนาวิราชแปลว่าความงดงามแห่งพระธรรมเทศนากับผู้ฟังเนี่ยไม่เหมือนกัน สู่แรกเนี่ยพราหมที่มักตาวาดผู้อื่นว่าหึหฟังใช่ไหมสู่ที่สองพระภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ฟังเพราะฉะนั้นการใช้ศัพท์ก็แตกต่างกันไปตามแต่ผู้ที่เขารับฟังเนี่ยนะเพราะว่าอัธยาศัยของผู้รับฟังเนี่ยแตกต่างกันอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพราหมณ์อีกที่หนึ่งก็เป็นพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็อารมณ์ที่มณสิการเวลาพูดถึงก็แตกต่างกัน อย่างสู่แรกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เน้นพิเศษที่พระองค์เองพอสูตรที่สองพระองค์ก็เน้นไปที่สาวก ข, ของพระองค์พระมหากัสปะสูตรนี่ก็เป็นสูตรที่ที่ดีนะแต่เสียดายเวลามันแค่ห้านาทีเพราะงั้นก็คงเป็นตอนบ่ายกันแล้วกันนะนะ สูตรที่กล่าวไปทั้งสองสูตรเนี่ยนะที่ที่เรียนผ่านมาก็ถือว่าเรียนคุณสมบัติของพระารหันเวลาเราสวดคําว่าอารหังเราก็นึกถึงถ้อยคําเหล่านี้ได้เพราะคําว่าอารหังนี่เอาคําเหล่านี้ไปอธิบาย น, นะก็เท่ากับเรียนพุทธคุณหรือสังฆคุณว่าอารหันนั่นแหละว่าคุณสมบัติของผ่ารหัน์ก็คือผู้ลอยบาปไปแล้วเพราะนั้นคําว่าพระารหันเนี่ยโดยศัพท์มีกี่คำนะอารหังก็คือโดยอัฏฐะ ตามอัตถกถาดีกาก็มี11ในด้วยกัน11ในแต่อัตถกถาทั่วไปไว้5นในในพาหิยะสูจะกล่าวข้างหน้านะก็มีอะไรไ ก, กลาจากกิเลสกำจัดค่าสึกคือกิเลหสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรควรแก่เครื่องบูชาเป็นผู้ไม่มีความลับในการกระทำบาปก็คือเป็นผู้ที่ไกลาจากกิเลสใช่ไหมไกลาจากอากุศลก็คือลอยบาปลอยอกุศลได้ทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือ ถ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสมพุทธเจ้านั้นลอยแม้กระทั่งวาสนาออกไปความเคยชินที่สั่งสมมาด้วยอำนาจกิเลสเป็นต้นไม่มีเหลือแล้วส่วนพระอรหันสาวกทั้งหลายท่านก็ลอยบาปได้หมดเกลี้ยงแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของพฤติกรรมที่ไม่ดีอยู่บ้างเนนะเช่นพระปิเินทวัชะความที่เกิดมาเป็นวันณพรามมาห้าร้อยชาติเนี่ยก็ เกิดมาในตระกูลสูงมาตลอดมันชอบดูหมิ่นคนอื่นว่าคนถอยคนถอยเห็นใครเร็วหมดอ่ะนะเพราะสมัยนั้นถือว่าตัวเองดีอยู่คนเดียวะนะเพราะนั้นเวลาเห็นคนอื่นก็เรียกคนถอยหมดมันตอนหลังเพราะท่านจะเป็นท้าอทหารแล้วก็ยังความเคยชินอ่ะนะความเคยชินก็ยังใช้คนอื่นว่าเรียกคนอื่นว่าคนถอยไปไหนมาคนถอยอะนะได้อะไรคนถ่อยมีอยู่ครั่งเหนื่อยคนฟังโกรธมากเลยนะ ไปขายไอ้ดีปลีอ่ะดีปรีมันก็เหมือนกับขี้หนูนี่แหละได้อะไรคนถอยบอกขี้หนูครับเหมือนกันเออขี้หนูขี้หนูหมดทั้งจริงไปขายดีปลีนะทั้งดีปรีมันเป็นเล่มเกวียนมาเลยอ่ะบอกก็บอกว่าได้อะไรมาคนถอยบอกขี้ขี้หนูครับเหมือนกันขี้หนูเอะมันก็เป็นขี้หนูหมดเลยนะจากดีปลีทั้งหมดนี่เป็นขี้หนูหมดเลยกลับไปดูเอ้าวขี้หนูหมดลำเกวียนเลยนะเต็มลำนี่มีแต่ขี้หนูก็เลยก็มีคนแหน่บอกว่า พาเอาขดเนี่ยไปใหม่พระปิรินทวชกษาก็ถามอีกได้อะไรคนถอยบอกดีปรีครับเออดีปรีก็เลยเป็นดีปลีตามคืนหมดนะเนี่แล้วก็บอกว่าเอ๊ะพาหันท่านยังโกรธอยู่หรือไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านเป็นพาหันท์ทำไมท่านยังชอบเหมือนกับดูหมิ่นคนอื่นเหมือนก็นดูถูกบอกว่าไม่ใช่หรอกเป็นความเคยชินของท่านเท่านั้นเองเนี่ยนะท่านไม่ได้มีโทสะมีจิตคิดประทุษร้ายอะไรนะเรียกตามความเคยชินเนี่ยนะ เหมือนกับอะไรนะผู้ใหญ่เรียกเด็กไอ้หนูเงียมันเป็นหนูจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นคำที่คุ้นเคยนะเป็นคำคุ้นเคยเท่านั้นแหละช่วงเช้านี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนเชิญอน